ต่อจานี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเกิดแก่เก็บตายของพุทธโดยพ่อท่านพูทธทิรักเมื่อวันที่24กันยายน2532นะพุท ธ, ธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติตาท่านฟังได้นะบัดนี้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 โรเบิร์ตอาร์เบิร์ตอารเบิร์ตไอน์สไตน์ค้นพบทฤษฎีสัมพัตภาพนี่ก็ว่ายิ่งใหญ่แล้วนะทฤษฎีสัมพัตภาพที่โพเทรเรียมวิทยาสารมารู้ดีว่าได้ค้นพบทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นทฤษฎีที่ดูเหมือนสั้นๆนั่นนะทฤษฎีบอกสูตรแล้วมันสั้นๆนิดเดียวเหมือนมรคองแปดนี่แหละ มันก็เหมือนทฤษฎีที่บอกสูตรไว้แล้วกันสันส้นๆมรคองแปดมีอะไรบ้างนะมีสมาิสติสัมมาสังกัปปวาจากรรมตะอ า, อาชีวะวายามสติแล้วก็สมาธิแปดหลักและแปลว่าอะไรก็ง่ายๆแต่ที่จริงมันยิ่งใหญ่นะทฤษฎีของไอน์สไตน์ก็เหมือนกันจะบอกว่า s p a c e and time of continuum หรือ ว, ว่า e เท่ากับ mc กํบบาลังสองก็บอกสูตรของไอน์สไตน์นิดเดียวนะ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 ปราศจากสมณะสีเหล่าปราศจากสมณะสีเหล่าก็คือปราศจากพระอรหันต์พระอรหันต์คือผู้ที่ปานิพาน์แท้ปินิพาน์จริงชนะความเกิดแก่เจ็บตายได้จริงจังสูงสุดคือมีสภาพที่ศูนย์สูญญาตาอย่างสนิทอย่างแท้จริงเกิดก็เกิดได้อย่างดีจะเกิดไปอีกยาวนานไม่หวาจะศูนย์ศูนย์ได้ เป็นตัวเกิดตัวจบตัวเกิดตัวตายที่สมบูรณ์พระรู้จักทานตรัสอย่างนี้ก็ท่ากัปฏิเสธศาสนาอื่นว่าท่านยืนยันแน่นอนว่าไม่มีที่อื่นปราศจากศาสนานี้และปราศจากทฤษฎีมรรคองแปดนี้แล้วก็ปราศจากสมณะสี่เหล่าท่านยืนยันนะอาตมาเชื่อไม่ได้เชื่อเพราะพระพุทธเจ้าตรัสแต่อาตมาเชื่อเพราะเรื่องเหล่านี้มันรึกซึ้งเห็นได้ในตนอาตมาว่าอาตมาได้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 รู้ว่ามันเหลือน้อยลงแล้วเป็นกิเลสขั้นกลางปริยุทธ์ฐานกิเลสจนกระทั่งถึงอนุสัยกิเลสคือกิเลสอย่างละเอียดก็รู้จับอาการลิงคันิมิตมันได้จับได้จริงๆเลยน ะ, ะฟังอุทเทศรู้จักอุทเทศแล้วผู้ที่ยกอุทเทศขึ้นแสดงฟังแล้วก็เอาไปศึกษาดีแล้วก็ไปฝึกหัดอบรมตัวเองจนตัวเองเกิดเห็นจับอาการนิมิตของมันได้รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไง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 รสเป็นยังไงอ่านอารมณ์หรือว่ารสของการหมดกิเลสนั้นเป็นอารมณ์ยังไงรสชาติยังไงจะรู้เองเป็นปัจจัตังเวทิตโภวินยูหิตรู้ได้อย่างแท้จริงรเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรู้จากอริยสัจสี่ตรงที่ว่าจะต้องจับเป้าว่าเหตุสมุดไทยของทุกสมุดไทยของการเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันอยู่ที่นี่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 หุดความโตของกิเลสแล้วก็ทําให้มันแก่ลงแก่ลงน้อยลงน้อยลงอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงจน ก, กระทั่งสุดท้ายตายแงงแง่ตายอย่างเสด็จ ญ, ญาติตายอย่างสนิทจริงๆได้นั่นคือความสามารถที่ยิ่งใหญ่ในความเป็นคน <Yeah. S 1> นั่นเป็นความสามารถที่ยิ่งใหญ่ในความเป็นคนกิเลสเนี่ยมัน ม อ, อีกกิเลสเจ็บเนี่ยมันมั น, มนคงยังไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่หรอ ก, กถ้ามันไม่ถูกฝีมือพระอริยธรรมให้มันเจ็บเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยถ้ามันไม่เจอพระอริยจริงก็คือเรานี่แหละกิเลส ข, ของเรานี่แหละไม่ต้องไปพูดอื่นนะ mm. เราสามารถที่จะนาละวันนี้หนึ่งแผลแล้วกิเลสชั่วเจ็บ ก, กิเลสร้องเจ็บเนี่ยเราก็ได้แต้มขึ้นมาเรื่อย กิเลสเจ็บนี่หมายถึงว่าเราจะเจริญเรื่อยๆเพราะฉนั้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยกิเลสมันก็อยู่ในตัวเรากิเลสเจ็บมันเหมือนตัวเราเจ็บเหมือนกันนะโอ้ยคนไม่ค่อยสู้พอกิเลสเจ็บหน่อยก็อ่อนแอไม่เอาแล้วทนไม่ได้เนี่ยคนอ่อนแอปฏิบัติธรรมไม่ได้เงี้ยมันต้องเป็นนักสู้ที่จะต้องรู้ว่ากิเลสเจ็บมันเหมือนกับหยิกเนื้อหยิกหยิกเลบเจ็บเนื้ออะไรเงี้ยมืนมันติดกันใกล้กันจริงๆมันอยู่ที่ใจเราจิตวิญญาณเรานี่แหละ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 ทะเลาะกันว่าแสงเนี่ยมันเดินเป็นเม็ดนะอีกคนหนึงบอกไม่ใช่อ่ะแสงมันเป็นกระแสเขาก็พิสูจน์กันนะถ้ามันเป็นเถ้ามันเป็นเม็ดเอาอะไรมากั้นเนี่ยแสงมันก็ต้องเดินไม่ได้ที่มันเป็นเม็ดถ้าเอาอะไรที่มันมีความทึบที่จะไม่ให้แสงผ่านได้มันต้องหยุดที่นี้เขาเถียงกันวิทยาศาสตร์เขาก็ว่ากันไปนะไอ้ส่วนฝ่ายบอกกระแสก็บอกไม่ใช่หรอก มันเป็นกระแสเอากระแสมันก็มีทางหยุดได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเทเเทียงกันไปตามเรื่องที่นี่ไอ้นามมาทำของกิเลสเนี่ยจะเรียกว่าเป็นกระแสก็ไม่ได้จะเรียกว่าเป็นเป็นเม็ดก็ไม่ได้แต่มันมีปริมาณที่ลดลงได้เพราะง้นคนที่มียานทิพย์มีวิธีที่ถูกต้องทําให้ลดได้กิเลสตายได้ลดจํานวนลดคุณภาพลดริดแรงลงได้นั่นแหละคือการเจ็บการแก่ของมันแล้วก็การตายของมัน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 ตามวิธีการที่พระอาจารยนสอนเราเร า, เราไม่ไปคลุกคลีเกี่ยวข้องกับกองกิเลสด้วยกับหมู่กิเลสไม่คบคนพาลไม่คบมิจฉุก่วไม่คบผู้ที่จะนำพาเราไปเติมกิเลสนั่นแหละใช่ไหมละ่ะเราปฏิบัติทำแล้วเราก็จะเลือกเฟ้นเราจะอย่างนี้ขนาดอย่างนี้เราก็ยังเห็นกิเลสเรามากขึ้นมากขึ้นที่จริงเห็นไมมันทางมามันไม่ค่อยมีแล้วละ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเอาตัวไปคลุกคลีไปดูดซึมมา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 เราก็มีวิธีการนะถือศีลถือธรรมลดจํานวนพยายามทำกันอย่างเคร่งทัดต้องมีทางไปที่ดีเป็นทางโคโจรที่ดีอโคโจรเราไม่ไปไม่ไปคลุกคลีเกี่ยวข้องกับหมู่ที่จะเติมกิเลสแล้วก็เล่าเว้นกันมาตามแต่ละใครก็แล้วแต่จะมีปฏิภาณรู้ว่าจัดแจงตัวเองให้มันได้ได้ทิศทางที่ดีมันก็จะไม่เพิ่มไม่ดูดไม่ซึมแต่ขนาดนั้นทาไมเอาจริงนะไม่จัดการกับมันมัน ก็เกิดมันก็ฟักตัวมันก็เหมือนกับหมักเครื่องหมักเครื่องดองเนี่ยมันก็ทํางานอยู่เรื่อยๆรเราจึงต้องปฏิบัติเพื่อฆ่ามันให้ตายลงไปเรื่อยเรื่อยเมื่อเราฆ่าลงมันจะตายไปเรื่อยเรื่อยแล้วมันก็ความเกิดของกิเลสก็น้อยลงเพราะเราสัตดมันซะให้เจ็บเอามันให้แก่เอามันให้ตายฟังให้ดีนะไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเกิดจากตัวกิเลสนี้เป็นต้นเหตุตามอริยสัจสี่ ใช่ไหมใช่ไหมสมุทัยในเกิดมาจากกิเลสตัณหานี่เป็นตัวเหตุตัวสมุทยัยเพราะเราจับเป้าให้แม่นอ่านกิเลสให้ออกทำให้ถูกเมื่อถูกแล้วเราก็จะดับความเกิดคือกิเลสนี่เองทำให้มันเจ็บทำให้มันแก่ทำให้มันตายด้วยฝีมือเรานะเนี่จ้วงแทงให้ตรงหัวใจเลยนะหัวใจกิเลสเนะีอย่าไปแทงแท ง, ทงหัวใจคนชัวใจสัตว์อื่นเราไม่ไปทาลายอย่างนั้น แต่เราทำลายกิเลสเนี่ยจ้วงให้ ม, นมันมั่นเลยให้มันตายได้เรื่อยเมื่อเราทำแล้วเราก็จะลดความเจ็บปวดทุกข์ร้อนในเรื่องของกิเลสลงมา mm. นะกิเลสมันจะตายเราสรุ ป, ปง่ายๆมันจะตายตั้งแต่เรายังไม่ตายเราจะเกิดตาทิพย์จะเกิดเห็นจริงเรากิเลสตายยังไงมันตายได้ว่าอะไรตายฟืนคืออะไรก็จะรู้ด้วยนะแม่มันตายยากตายเหย็นเหมือนกันนะ ตายฟื้นแล้วเรานึกว่ามันตายแล้วอ้าวเพื่อนเกิดอีกเล่นเจ้าเล่อเจ้ารอเถิดกับเราอีกมันมีจริงๆเนี่ยเจ้ากิเลสมันร้ายจริงๆเนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฆ่ามันให้ตายสนิทตายไม่เกิดอีกอย่างแน่ใจมั่นใจอ่เอาละสมมุติไม่ใช่สมมุติเราคนทําได้ก็จะทําได้จริงอ่าเราก็สมมติไว้แต่คนทําได้จริงก็ทําได้จริงคือกิเลมันตายไปจากตัวเราจะเกิดตายไปจํานวนหนึ่ง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 อ๋อเรื่องนี้มันตายนะนี่เหตุปัจจัยนี้มันตายสมมุติอัตมาเคยสมมติซ้ำซากเราติดบุรีมันก็เป็นกิเลสบุรีมันอร่อยมันขึ้นสวรรค์ห่อห่อสวรรค์ลวงเลว่าสมมติเทพเป็นเทวดาหลอกมันหลอกเรามานานพอเราฆ่าตายแล้วเทวดาหลอกก็หายเกิดเทวดาจริงขึ้นมาคือกิเลสตายกิเลสตายขึ้นเนี่ยจนตายสนิทก็เป็นโสดาภูมิส ก, กิทาคามีภูมิมนาคามีภูมิอรหัตตภูมิหรือเป็นอรหันตในบุรีกิเลสมันหมดเลย มันเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งเลยโอ้ยนี่ ไ, ไปโงงเงาไปเป็นธาตุมันอยู่ได้เป็นหลงว่าความสุขนี่เป็นสุขจริงที่จริงไม่ใช่สุขจริงสุขหลอกเป็นสุขคลิกะสุขหลอกหลอกไม่ใช่ของจริงเลยพิสูจน์ได้เลยว่ามันตายสนิทแล้วรสของความว่างมันว่างแล้วมันไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องเป็นธาตุไอรสอร่อยอันนั้นคุณจะรู้เลยว่ารสอร่อยอยาแต่ก่อนนี่เคยหลงว่าเป็นรสอร่อยเนะืไม่มีสักก็เฉยเฉยไม่มีก็สบายดีด้วย ไม่ลหลงไหลไม่ติดยึดในโรกียรถนั่นอีกเลยแล้วก็เราก็ไม่อยากได้เมื่อคุณเกิดภูมิมารำถนงขั้นนี้เป็นอรหัตผลคุณจะรู้ว่าอ๋อลักษณะศูนย์ลักษณะอรหัตผลเป็นอย่างนี้เมื่อคุณมีหลายเหตุปัจจัยบุรี่ก็เลิกได้เหลาก็เลิกได้เล่นอาการพนันก็เลิกได้อบายยมุขต่างๆเลิกได้แม้แต่ที่สุดรูปรกเป็นเคียงสัมผัสในเหตุนั้นเหตุนี้เสือสวยเสือ่องาม อของใช้ของสอยอุปโภคบริโภคงามสวยอะไรลดลงไปได้อีกมันจะมีข้อมูลที่จริงยืนยันให้แก่คุณรู้ว่าอการลดล ะ, ละปล่อยลงเป็นอย่างนี้การลดกิเลส ท, ที่มันเป็นหลงไหลได้ปลืม้มมาเป็นการมสุสขลิกะเป็นสุขที่เสพสมสุขสมอ๋อมันหมดไปแล้วมันก็ว่างเบางี้มันยิ่งปลอดโ ป, ปร่งเบิกบานร่าเริงอยู่ในโลกเขาอย่างไม่เป็นถาด เป็นไทยแก่ตัวโอ้เบิกบานสดชื่นดีเห็นไหมล่ะยิ่งถูกจับก็ยิ่งเบิกบานอย่างอาตมาเนี่ยไม่ได้กลัวไม่ได้หยัดนะนี่ยกตัวอย่างมันเหมือนอวดตัวอดตนเมื่อกันนะนะไม่ได้วันเกรงแล้วคุณจับก็จับไปได้แต่ร่างกายของเราเท่านั้นแหละจะไปเอาเข้าคุกหรือแม้จะเอาไปยิงเป้าทิ้งมันก็ได้แต่ร่างกายแล้วเท่านั้นแหละจิตใจของเรามันไม่เจตัวไม่เจตตนอะไรแล้วมันก็ไม่ได้ไปหดเหียวห่อเหี่ยวอะไรมันก็สบายเราไม่ได้ติดไม่ได้เป็นทาสอะไร ถ้าเราสามารถจะเปิดเผยความจริงให้เขาเห็นได้ว่าเราไม่ได้มาทําเลวทําชั่วร้ายเราทําดีพาคนให้พ้นทุกข์พาคนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริงได้เขาเห็นจริงเขาก็ปล่อยเราเองเ่ยแต่เขาไม่เห็นจริงก็เป็นความผิดของเราที่เราไม่สามารถเปิดเผยความจริงให้เขาเห็นได้เมื่อเขาเปิดเผยความจริงให้เขาเห็นไม่ได้รู้ไม่ได้เขาก็ลงโทษเราเป็นคนผิดจะจับคั้งคุกจะยิงเป้าเราก็ไม่ว่าเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่เก่งคนไหนตาดีรับรู้ได้ก็รับไป คุณยังไม่ถูกจับคุณก็ทำ ท, ำทำต่อหรือใครจะหยุดถ้าาตมาถูกจับเข้าคุกจะหยุดไหมนี่จะหยุดปฏิบัติไหม Are you sure? อายุเฉวานะแน่ใจนะแน่นะถ้าไม่อาตมาหลงดีใจมากความมั่นใจพวกนี้มันอยู่ที่คนเจ้าตัว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 มันมั่นของมันเชื่อถือมันเอาของเขาของเขาคงไม่จะของใครบังคับมันพ้นเชื่อถือตามจริงพ้นในหลักการมารสูตรสิบของมูร์เจ้าเราไม่เชื่อตำราเราไม่ได้เชื่อไอ้ปรมปรานเราไม่ได้เชื่อไอ้ความคิดเห็นเฉยเราไม่ได้เชื่อครูบาอาจารย์แม้แต่เราไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นในการมารสูตรสิบเราเชื่อเพราะเราปฏิบัติเป็นกุศลเป็นสิ่งที่จริงแล้วเราก็เชื่อมันอันนี้ของเราเองใช่ไหมคุณเชื่อตัวคุณเองเพราะงั้นอาตมา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 เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเองคุณไม่มีตัวกิเลสคุณจะรู้จักสังสารวัตสังสารวัตคือมันเกิดได้กิเลสมันก็เกิดแล้วคือมันอยากแล้อยากเสพแล้วเพราะอยากแล้วมันก็ต้องสแสวงหามาเสพ บ, บําเรอเพราะได้บําเรอก็ขึ้นสวรรค์เดี๋ยวตกสวรรค์ใหม่อยากใหม่อีกก็บําเรอมันอีกนี่เราเวียนวนนี่เลยโราสังสารวัตอ ย, ยากก็ทุกได้บําเรอก็สุขอยากก็ทุกบําเรอก็สุขอยู่เนี้ย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 เห็นไหมว่าความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีแล้วเห็นไหมตาทิพย์จริงๆวัตุอุตรีมนุษยธรรมแล้วเนี่ยตอบรับเลยว่าเห็นฟังให้ดีนะนี่คือการตัดสังสารวัตไม่มีแล้วความเกิดกิเลสไม่เกิดนั่นเองมันไม่เกิดแล้วมันจะเอาอะไรมาแก่เอาอะไรมาเจ็บ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 ในบ้านที่มีปราสาทยอดแหลมน ะ, นะอยากเกิดในปราสาทยอดแหลมดิ่งลงมาเลยปุ๊บเข้าปราสาทยอดแหลมปุ๊บปรากฏว่าเข้าท้องหมาเพราะว่าเป็นปราสาทแหลมของเตาเผาศพที่สวยงามเ <c oughs> ตาเผาศพที่สวยงามสร้างไว้จะสวยเลยแล้วมีช่อฟ้าปราสาทยอดแหลมที่ไหนลงมาปับ๊บลง เข้าท้องหมามันนอนอยู่ใต้เตาเผาอ้าวอันนี้ก็เล่าตลกตลกหน่อยมันจะไปตามวิบากไม่มีอะไรทำให้คุณเกิดได้นอกจากวิบากของคุณเองคุณจะเข้าบา ร, รมีของคุณจะต้องเป็นบา ร, รมีเข้าท้องหมาคุณก็ไปเข้าท้องหมาเกิดเป็นลูกหมาลูกแมวลูกเสือลูกสิงอะไรไปตามเรื่องตามราวเป็นเดราชาก็เป็นเดราชาจะเกิดมีบุญได้เกิดเป็นคนก็คนตามขนาดอีกเหมือนกันอยากจะเกิดใน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 เพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อกุศ ล, ลวราบีกอกุศ ล, ลวิบากเราจึงต้องสร้างกุศ ล, ลวราบีกให้จริงคุณเลือกไม่ได้เราต้องของจริงวิบากจริงเกิดอะไรก็เกิดอะไรอาตมาเกิดมารูปหล่ออย่างนี้ขนาดนี้ก็เพราะอาตมวิบากของอาตมาแต่คนหลอกก็าอาตมามีเยอะอาตมาก็หลอเท่าที่อาตมาก็หลอกกว่าคนที่ไม่หลอกว่าอาตมาจริงไหมนะไม่จริงยังไงเราก็พูดคำปั้นทุบดินนะ มันจะเกิดมามีรูปขันนามขันขนาดนี้มันก็เป็นตามมีบากนะมันเรื่องจริงเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปอยากจะหลอ่ออยากจะสวยอยากจะรวยอยากจะจนอยากจะยังโน่นอยากจะงี้หยุดอยากได้แล้วทํากรรมใครอยากจะทุกร้อนเกิดมาจนจนยากยากทำอกุโสลกรรมเข้าไว้มากๆนีมนตเอาเลย อยากต า, ตาตาบอดขาเป๋หูหนวกเมื่อเกิดกัคนยากคนจนมีแต่วีบาก์ลำบากลาบนมีแต่คนมาทุบมาตีเอาเลเชิญสร้างากุศลวิบากเข้ามามากมันจะได้อย่างนั้นแต่ถ้าเราประสงค์จะเรียกว่าอยากหรือประสงค์หรือต้องการก็ตามถ้าจะให้มันเป็นกุศลวีบากเกิดมาดีมาง่ายมาเบาสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคมากก็ต้องสร้างกุศลวิบากสร้างกรรมที่เป็นกุศลที่ดีกุศลเป็นยังไงก็คิดเอาเองล่ะ พื้นๆสามัญก็มีทําให้มันได้ก็แล้วกันขนาดสามัญสามัญยังทําไม่ได้เลยลึกซึ้งทําได้อีกก็จงทําตามอินทรีย์ภระของแต่ละคนทําแล้วคุณจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติเป็นกุศลสูงขึ้นสูงขึ้ น, นคุณจะเกิดก็เพราะคุณยังไม่อยากจบวิภะวะตันหาอาตมาแปลว่าตันหาอุดมการณ์โดยเฉพาะพระอริยเจ้าพระอราหันต์เจ้าหรือพระโพธิสัตว์มีตันหาอุดมการณแม้แต่พระโทธเจ้าอาตมาก็เรียกว่าตันหาอุดมการ ในปางสุดท้ายของพระพุทธเจ้านี่มีตัณหาอุดมการณ์อัตมาเรียกว่าเป็นความประสงค์ความต้องการหรือความอยากความปรารถนาแต่ปรารถนาดีถ้าไม่ได้ปรารถนาบำรเรอตนแต่ท่านช่วยโลกพระบริษัทตี่มีความปรารถนาที่จะช่วยโลกจะเรียกว่าเป็นตัณหาก็เรียกได้นี่ไม่ค้านแย้งใช่ไหมและคนมาถามกันย้อนแยงอยากได้นิพายเป็นตัณหาเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงก็มันอยากอยู่อะมันอยากได้นิพานใช่แต่เป็นตัณหาอุดมการณ์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 เป็นการเห็นแก่ตัวนั่นแหละเหลืออัตตาเหลือตัวตเนเมื่อเราหมดกิเลส ท, ที่จะมาบำเรลตนแล้วพระอริยเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าไม่มีกิเลสอันเนี้อันนี้เป็นความจริงที่มันมีอยู่ในคนจริงเพราะฉะนั้นถ้าเผอว่าเป็นพระอรหันต์เจ้าท่านจะตายศูนย์ท่านก็ไม่ตั้งวิภาพวัตัญหาเมื่อไม่ตั้งวิพวตัญหามันก็หมดสังสารวัตเพราะกิเลสมันไม่อยากอะไรอีกมันก็ไม่ยังลงสู่ขัน แม้ท่านจะยังลงสู่คันท่านนมีบุญใช่ไหมกุศลอิบากของท่านสั่งสมมามากๆท่านยังลงสู่คันท่านไม่เกิดเป็นแล้วเป็นลูกเดรัจฉานท่านก็ไม่เกิดเกิดในท้องผู้ที่มีกุศลอิบากที่เหมาะสมกับบุญบารมีของท่านท่านก็ไม่ต้องการแล้วท่านก็เลิกเลิกได้ศูนย์ได้แล้วพระอริยเจ้าในระดับที่จะทำประโยชน์เสพให้แก่ตนนี้มันยังห้ามยากเลย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 ใช่ไหมเราจะไม่ทำในง่ายใช่ไหมอาลัมพะพูดอาจจะสับสนหน่อยในเะมื่อกี้นี้ตอนนี้ชัดแล้วนะจะทําทให้ใคคนอื่นนะี่มันมันจะหยุดเนี่ยมันง่ายจะทําให้คนอื่นนะ่ะจริงมันอาจจะยากบ้างอนะ่ะแต่ว่าคนที่เป็นพระอริยเจ้าแล้วเขาต้องตั้งนาตั้งตาฝึกฝนทําให้คนคนอื่นบําเรอตนง่ายแตช่ชนะกิเลส ต, ตนยากช่วยคนอื่นนะั่นนะถ้าจะช่วยคนอื่นนะั่นนะกิเลสมันไม่ค่อยให้ทํามันยากอ่มันยา ก, ม, ยากมันจะหยุด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 หมดตันหาทุกอย่างก็ท่านพระอริยเจา้าพระอริยเจ้าชั้นสูงแล้วเนี่ยกามาตันหาภาวะ ต, ตันหาในศูนย์ละเหลือแต่วิภาวะ ต, ตันหาเพื่อสร้างสรรประโยชน์ผู้อื่นเท่านั้นเมื่อหยุดไม่อยากจะสร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่นหมดทุกตันหาหมดแม้แต่อย่างลงสู่คัน ศูนย์สนิทการเกิดแก่เจ็บตายด้วยร่างขันอย่างนี้อีกที่มีดินน้ำไฟลมเป็นแท่งก้อนเป็นสรีระนี้ก็ไม่มีอีกเมื่อไม่มีอีกนี่คือความจบสนิทศูนย์กิเลสเป็นตัวเหตุเมื่อศูนย์กิเลสแล้วจะศูนย์รูปนามขันห้าด้วยเป็นตัวตามพอการเกิดแก่เจ็บตายของกิเลสเข้าใจแล้วตอนต้นทอนี้การเกิดแก่เจ็บตายเมื่อไม่มีรูปนามขันห้านี้จะมีแก่ไหม จะมีเจ็บไหมจะมีตายไหมไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายของรูปนามขันห้าของพระอริยเจ้าดังดับพระอรหันต์เจ้าที่มีสิทธิ์จริงๆหมดกามตัญหาหมดะวะปัญหาเมื่อไม่ต่อวิภวัตัญหาย่อมศูนย์สนิทแล้วไม่มีการเกิดอีกเป็นจริงๆคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อกันแล้วแต่คุณเท่านั้น ทีนี้คุณจะทําได้หรือไม่ได้คุณตามมาพิสูจน์อาตมาท้าทายให้พิสูจน์เพราะศาสนาพุทธเราเนี่ยพ้นสังสารวัตรทั้งนามธรรมพ้นสังสารวัตรทั้งรูปธรรมพ้นสังสารวัตทั้งกิเลสและพ้นสังสารวัตทั้งตัวรูปร่างกายมนุษย์ยชาติได้ด้วยประการชะนี้เพราะไปทําถูกเป้าตัวกิเลสเป็นตัวเหตุที่เกิดสังสารวัต เพราะนั้นตัณหามันมีอยู่สามท่านนั้นแหละมีกาบตันหาภวตัณหาวิภวตัณหาเพราะถ้าเข้าใจสุดท้ายแล้วเราล้างกาบตันหากับภวะตัณหาให้ได้ให้สนิดสุดยอดเลยเสร็จแล้วเราเหลือแต่ชีวิตที่จะทําประโยชน์แก่ผู้อื่นมันเป็นตัณหาอุดมการณ์คุณอยากจะสร้างสรรค์ต่ออยากจะเกิดอีกเกิดคุณสร้างกุศลไม่รองรับตัวคุณไปสิคุณจะเกิดอีกกี่ชาตินิมนต์ไปด้วยกันนะชาติหน้าไปหมดหมดเนี้ มันยังไม่ถึงอาราหันต์ใช่ไหมสร้างกุศลไว่มากๆแล้วไปได้วยกันมันจะได้เบากว่านี้หน่อยทุกวันนี้เราสาร้างกันมาคนละกระจกกระแจักเท่านั้นเองเห็นไหมเราวิบากก็ยังยากเลยมันดูสีเนี่ยร่ำรวยก็ไม่ร่ารวยอะไรก็ไม่มีบุญมากความร่ํารวยและความยากจนมันก็คือกุศลอกุศลวิบากของเราจริงๆเพราะเราเป็นตามเราฐานะของเราอาตมา ก, ก็มีตามฐานะของอาตมาเนี่ยคนเชื่อถืออาตมามากขึ้นเพราะกุศลกับอาตมาไม่ใช่มีเท่านี้นะมีมีกว่านี้เมือ่อพวกคุณศรัทธาเริ่มใส่ เชื่อถืออาตมาก็จะบอกบุญได้ง่ายกว่านี้คุณฟังเหตุผลดีๆนะนี่มันเหตุผลนะไม่ใช่อาตมาพูดเอาเองนะเมื่อคุณยังไม่ศรัทธาเชื่อถือคุณยังไม่ไว้ใจคุณก็ไม่ไม่ไม่ไม่ทำบุญกับอาตมาง่ายบอกบุญก็เฉยนั่นหนึ่งไม่เชื่อทั้งทั้งที่อยากจะทําอยู่แต่ว่ายังไม่เชื่อคุณก็ไม่ทําอีกอันนึงก็เรื่องกิเลสของคุณนะคุณแม่จะเชื่อแต่คุณไม่ทำมันก็เรกิเลสของคุณน่ะหายยังไม่หาย บอกให้ตายก็ยังไม่หามันก็เกมื่อกี้เด็ของคุณไม่มีปัญหาหรอกอาตมาเข้าใจายอยู่แล้วก็อาตมาก็เลยไปบังคับนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดใดที่เชื่อมีปัญญาเชื่อแล้วก็เราก็อยากจะช่วยแต่ ถ, ถ้าเห็นสมเหตุสมผลคุณเชื่อสนิทถ้าบอกบุญมาบอกนี่ช่วยกันหน่อยที่ทำมาเรื่องนี้คุณก็ง่ายและคุณก็ต้องอยู่ได้ด้วยอาตมาไม่ได้ไปทําให้เป็นธิดาธาเรนไปยืมเข้ามาทำบุญเรื่องเราเองเราก็ไปพอใช้เรายังมีวีบากเรายังมีภาระนั่นเราก็จะไปเอามาใช้ มาทำบุญสัก่อนทั้งตัณฑ์ภาระก็ยังดึงหน้าไปถึงหลังดึงหลังไม่ถึงหน้าไม่เอาอรรมา ก, ก็ไม่ส่งเสริมแม้ขนาดนี้เราก็ยังเป็นอยู่ได้พิสูจน์ได้เลยว่าพวกเรามาลดละตัวเองกินน้อยใช้น้อยทําให้ผู้ที่อยู่ใกล้ลูกเต่าเหล่าล้านญาติโกโยติกาก็หัดลดละลงมาได้ขยันมันเพิ่มขึ้นสร้างสรรค์มากกว่าที่จะใช้จ่ายเป็นคนมากน้อยสนโดดเป็นคนที่มีคุณค่าเหลือเฟือสร้างสรรค์มากกว่าที่จะใช้จะสอย มันก็เหลือเมื่อเหลือแล้ว ก, ก็มีปัญญาที่จะทำทานจะ บ, บริจาคนี่แหละสิ่งที่เป็นสัจจะเหล่านี้แหละมันเป็นกันอยู่ในระบบของพวกเราเพราะงั้นถ้าเราทำให้กิเลสนี่แหละมันแก่มันเจ็บมันตายลงไปให้ได้มากๆความเกิดของกิเลสน้อยลงน้อยลงน้อ ย, ล ง, อยลงได้เท่าใดสังสารวัตหรือความเกิดแก่เจ็บตายมันก็จะสั้นลงสั้นลง คุณจะต้องไม่ต้องเวียนตายเวียนเกิดมารับทุกข์แม้แต่การเกิดเนี่ยเกิดเป็นผู้หญิงนี่เขาว่ามันทุกข์มากพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองนะไม่ใช่ผมไม่ใช่อัตมาพูดหรอกเกิดเป็นผู้หญิงนี่ทุกข์มากมันก็ยังหน่าขันหน้าขำพวกกระเทยนะแม่เป็นผู้ชาย แ, แต่แทนมันอย่างเป็นผู้หญิงอัตมา ถ, ถามจริงๆนะคุณอยากเกิดเป็นผู้ชายกันบ้างไหมเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกข์ของผู้หญิงนี่หนึ่งทุกข์จะต้องมีประจําเดือนสองทุกข์ที่จะต้องอุ่มท้อง สมทุกจี่จะต้องคลอดลูกหรือว่าคลอดลูกมันไม่ทุกอย่าไปทะเลให้เขาวางยาสลบแล้วก็พ่าออกนะยังไม่รู้เรื่องอะอย่างนั้นนะอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่นะทุกที่จะต้องบำมเบอรสามีเจ็บแสบจริงๆจริงๆคุณอยากเกิดเป็นผู้ชายจะไปอยากเปล่าเปล่าปฏิบัติธรรมเข้าแล้วมันก็เป็นเองคุณอยากให้ตายไปเดี๋ยวเกิดเป็นกระเทยนะ ใจมันอยากมากๆๆกแล้วไอ้สองของบุญบุญบารมีมันไม่เท่าใช่ไหมเนี่ยคนเกิดเป็นกระเทยเพราเนี้ยใจมันวิ่งลำหนากไอ้บุญบารมีอยากเกิดเกิดเป็นผู้ชายอยากเกิดเป็นผู้ชายแต่มันไม่ได้เป็นบุญบารมีก็ต้องเกิดเป็นผู้หญิงอยู่นั่นแหละออกมาเป็นผู้หญิงยุงจำาแล้วทอมบอยเลยผู้ชายเลยเลอะเลยเลอะเลยเลยแล้วไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเราอะไรเลยมันเป็นอยู่อย่างนั้นเลยก็เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายเลยดันผายอยกไปเกิดผู้หญิงไอ้คนนี้มันก็ยิ่งหนักใหญ่เลย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 แล้วแม่ก็ไม่หลงด้วยหลงโลกีรอดด้วยนะบามากไม่รู้เมื่อไรเขาจะรู้สึกตัวเพราะบางอาพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไม่อะไม่สอนนะผกระตรงกระเทยยิ่งเอามาบงมาบวชแล้วไม่ต้องให้มาบวชกระทงกระเทยนี่ไม่เขาถ่าอะไรแล้วมันพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยมันมันมันยิ่งหนักกว่าอีกนะถ้าคุณจะเกิดเป็นผู้ชายก็เพราะบุญบารมีเป็นบุญกุศลของคุณต้องสร้างกุศลรไม่ต้องอยากหรอกจะไปอยากบอกแล้วนะอยากล่วงหน้ามากๆไว้เดี๋ยวจะมันลำหน้ากิเลสมากกว่า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 มันยังไม่อนุปาทิเสศนิานานพานธาตุอุปาฏิเสศนิพานหมายความว่ามันยังไม่ตายได้รูปนามขันห้ามันได้แค่สะอุปาทิเสศนิพานได้ได้แค่ให้กิเลมันตายแต่ร่างกายยังไม่ตายตายชั้นหนึ่งนิพานชั้นหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นอนุปาทิเสศนิพานได้แค่สะอุปาทิเสศนิพานที่นิพานที่เหลือขันห้าสะอุปาทิเสสะเสศแล้วว่าเหลือมันยังเหลือขันห้าเท่านั้น มันก็ยังมีทุกข์แต่ทุกข์แค่ขันท่าทุกข์เพราะยังเกิดทุกข์เพราะยังกินยังหายใจยังให้มันเกิดอยู่ให้ร่างกายมันเกิดแล้วมันก็จะมีคุณประโยชน์สืบทอดศาสนาช่วยเหลือมนุษย์ชาติไม่ทํำยังไงมันก็ต้องตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็รักษามันเลี้ยงดูมันให้พอสมควรไม่ให้มันทุบร้อนเกินไปมันจะมีวีบากต้องเจ็บต้องป่วยบ้างก็ต้องทนเอาเพราะว่าทั้งเจ็บต้องป่วยนั้นมาเป็นพยาธิทุกข์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 เดี๋ยวนี้คนที่พูดนี่ก็อายุหกสิกว่าแล้วผมเดี๋ยวนี้ก็ยอมปล่อยแล้วให้มันขาวแต่ก่อนต้องยอมหน้าตานี่ไม่อยากสองกระจกมันแก่ลงก็มันไม่ได้ห้ามมันได้เลยมันต้องแก่เพราะงั้นคนเข้าใจแล้วว่าคุณจะไปห้ามมันไม่อยู่หรอกมันต้องเกิดมันต้องเมื่อเกิดอยู่แล้วมันก็ต้องถึงเวลามันก็ต้องแก่อ่าไอ้เจ็บก็พูดไปแล้วมันต้องแก่เมื่อแก่แล้วเราเข้าใจชัดแล้วเราก็ไม่ต้องทุกข์คนเราเนี่ยมันไม่ทุกข์มากเท่าไหร่ดอกแก่มันควรไปอุปทานติดยึดมากหน่อย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 ยังไม่ต้องถือให้อตาตมาต้องยิงเป้าแล้วจะได้พิสูจน์แล้วจะได้เชื่อเชื่อตออ่อเมื่ออาตมาถูกยิงเป้าแล้วมันไม่ค่อยสนุกเลยนะให้อยู่ก่อนอตาตมาไม่ใช่ว่าอาตมาก็ยังอยากอยู่หรือไม่อยากอยู่อะไรนัก็เป็นไปตามมิบากเพราะแล้วก็ว่าไปอตาตมาว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ท้าทายคุณพิสูจน์คุณจะไม่กลัวตายแล้วคุณจะเบิกบานจำใสก็แค่เข้าคุกแล้มันจะไป ม, มีปัญหาไล่ก็ตายมันก็ไม่กลัวแล้วอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ต้่งสะเทือนอะไรแล้วจะเข้าคุกสิบปีแค่เท่าตายยังไม่กลัวเลย เข MM. าก็เข้าไปสิคุกสิปีก็เข้าไปเที่ยวในคุกมั่งมันจะเข้าไปเดินเล่นในง่ายเมื่อไหร่เราก็มีบุญเหมือนกันในเข้าไปได้เดินในคุกนะไม่ได้เที่ยวง่ายง่าเมื่อไหร่เราไปเที่ยวในคุกมั่งก็ดีเหมือนกันมันไม่มีปัญหาเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่มีปัญหาไม่เจ้าปัญหาตัวเองก็ไม่มีปัญหามันสบายเพราะงั้นเมื่อมันสบายมันก็ไม่ต้องมาหน้านิวคิ้วขมวดไม่ต้องมาหน้าเหี่ยวหน้ารวยเจออย่างง้นหน่อยเจออุปสรรคอย่างนี้หน่อยก็กลัวก็ยังง่นอย่างนี้มันจะไม่กลัว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 และยิ่งเอาไปสาธยายสู่คนอื่นต่อไปความสืบทอดของศาสนาก็จะเหลืออยู่ถ้าเผือว่าสาระเป็นสาระสัจจะพวกนี้มันไม่มีแล้วศาสนาก็ศูนย์หรือเข้าใจเพียเพ้ยนๆผิดๆไปเรื่อยเบี้ยวๆไปเรื่อยศาสนาก็เบี้ยวออกไปเรื่อยพุทธศาสนาก็ล้มเหลวไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นจงพยายามที่จะมาพิสูจน์มายืนยันเอาตัวเรานี่ยนะปฏิบัติเนื้อแท้ของศาสนาให้ได้ใครจะว่ายังไงก็ว่าไปนะถ้าเราทําได้จนกระทั่งรู้แจ้งในเรื่องการเกิดแก่เจ็บตาย